เวลาภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนอย่าตั้งใจเกินไปไม่ต้องทำใจให้เครียดสมาธิไม่ต้องสูงให้แบบอารมณ์ธรรมดาธรรมดาเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกท่านนี้เป็นพอ